คือสิ่งนั้นๆ น, น, นะนะซึ่งถ้ามีทิฏฐิประกอบนะอย่างที่กล่าวว่ า, าการพูดถึงศีลพัตตปาทานเนี่ยในบรรดาจิตทั้งหลายเนี่ยนะโลภะวิปปยุตไม่พูดถึงคือซึ่งต้องไม่ใช่โลภทิฏฐิขตาวิปปยุต ต, ต้องไม่ใช่โทสะต้องไม่ใช่โมหมูลจิตต้องไม่ใช่กุศลจิตอันนั้นแหละนะทำด้วยทิฏฐิอันนั้ น, นจึงจะเรียกว่าทิฏฐุปาทานหรือศีลพัตตุปาทานในขณะนั้นเท่านั้นจึงจะเป็นศีลพัตตุปาทาน น, นแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่กล่าวนะถ้ากล่าวโดยอุปนิสัยปัจจัยก็เป็นเรื่องที่กว้างมากเพราะกุศลก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลอกุศลก็เป็นปัจจัยแก่กุศลด้วยอำนาจอุปนิสยปัจจัยเนี่ยนะโดยเฉพาะประตูปานิสยปัจจัยเนี่ยเปนสิ่งที่กว้างอยู่แล้ว คือสําคัญที่สุดนะนะอย่างผู้ที่ต้องการ wie, father, Behavior, ว ARS, tables, ความสะอาดความบริสุทธิ์เป็นต้นเนี่ยนะคือสําคัญจะต้องรู้ว่าอะไรมันสะอาดอะไรมันสกปรกอันนะส่วนตรงนั้นเนี่ยมันสําคัญในเบื้องต้นนะนะไอ้ความสะอาดจริงๆอะไรสะอาดอะไรสกปรกเนี่ยนะอันนี้ต้องแยกให้เป็นแม้กระทั่งกายเนี่ยนะนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยกายกายสุจริตหรือทุจริตอย่างเงี้ยการพยักหน้าการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นต้นอะสุจริตหรือทุจริตอันเนี้ยนี้ต้องมาศึกษากันละ คำพูดที่เป่งออกไปหนึ่งคำเนี่ยนะมันสุดจิตหรือมันทุจริตหรือความคิดนั้นๆน่นะตัวความคิดที่คิดขึ้นเนี่ยมันสุดจิตหรือมันทุจริตถ้ามันสุด จ, จิตสุดจิตเพราะอะไรถ้ามันจะทุจริตทุจริตเพราะอะไรเนี่ยนะใช่ไหมคงไอ้ส่วนตรงนี้คงไม่ลืมนิวร บ, บพระยนะ เอาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะอายตนะภายในใช่หกกับอายตนะภายนอกหนั่นอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกทำให้เกิดจิตเจตสิกเนี่ยนะจิตก็เรียกว่าวิญญาณหเจตสิกก็คือเป็นผัสสะหกเวทนาหก สัญญาหกเจตนาหกนันะตัณหาหกวิตกหกนิจารณหกเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าเจตสิกจิตเจ ต, ตสิกอันนี้แหละถือว่าเป็นอาหารอย่างดีอันโอชะของสังโยชน์สังโยชน์นี้แปลว่าเครื่องประกอบก็ได้เนี่ยนะเครื่องประกอบเครื่องประกอบ ถามว่าประกอบให้ให้อย <familia? S 1> ูィィ <t ab> ่ในอะไรคือประกอบให้มีตาเพื่อจะเห็นสีต่อไปนะว่าให้ตรงอ่ะนั่นคือภารกิจของสังโยต่ะมันประกอบทําให้มีตาเพื่อจะเห็นสีประกอบให้มีเสียงเอ่อมีหูเพื่อจะฟังเสียงมันประกอบเพื่อให้มีจมูกเพื่อจะดมกลิ่นประกอบเพื่อให้มีลิ้นเพื่อจะรู้รสประกอบให้มีกายเพื่อรับกระทบผลิตภัพประกอบให้มีใจเพื่อจะได้นึกคิดต่อไปเนี่ยนะตัวนี้เป็นงานที่งานของ สังโยชน์ที่ประกอบขึ้นเนี่ยนะอันโดยเฉพาะตัวสังโยชน์นะคือส ก, กายะทิฏฐิวิจิกิจชาสีลภัตตปรามาสเนี่นยนะเฉพาะสามประการเนี่ยต้องเห็นอริยสัจจึงจะละได้เนี่นยนะทีนี้ถามว่าอาริยสัจเป็นยังไงก็คือ ว่ารวมๆะนะคือการรู้เหตุเกิด น, นะสูตรของเขาก็คือสมุทยังคะ น, นะรู้เหตุเกิดของอายตนะใช่หอัดถังธระมรู้ความดับของอายตนะเนี่ยนะแล้วก็รู้อัสาธะของอายตนะนั่นแหละรู้อาทีนวะ ของอายตนะแล้วจนรู้ถึงนิสรณะเนี่ยน ะ, ะนิสรณะตัวนี้หมายถึงนิพพานเนะ่ยข้อปฏิบัติที่มาสามารถรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อาสะธาอาทีนว่าแทงตลอดนิสรณะข้อปฏิบัติอันนั้นนะคือมรคนี่นะอันเนี้ยเป็นงานของมรอย่างเดียวจึงจะทากิจอันนี้ได้ พันกิจของการเจริญมักก็คือเจริญเพื่อให้รู้เหตุเกิดของอายตนะรู้ความดับของอายตนะทีนี้ไม่ใช่ว่าจะดับได้ง่า ย, ายใช่เพราะมันมีอายตนะมีอาสาธะอยู่เนี่ยนะแล้วก็แต่อายตนะก็มีโทษเนี่ยนะก็จึงต้องสลัดออกเนี่ยนะผู้มีปัญญาทั้งหลายเาก็เลยเห็นโทษแล้วก็สลัดออกเมื่อรู้แบบนี้เนี่ยจึงจักละสกาญทิฐิวิจิกิจฉาศีระพตะปรามาได้ ตัวสกายะทิฐิเนี่ยนะซึ่งเป็นเหตุของสัสตะทิฐิใช่ไหมเป็นเหตุของอุเฉททิฐิเนี่ยนะสกายะทิฐิเนี่ยละได้ด้วยการรู้ทุกขสัจเนยนะซึ่งอายตนะอันนี้เป็นเป็นอะไรสัจจะเป็นทุกขสัจจะเพรา ะ, ะนั้นการรู้สมุทะยังฆะตัวนี้ละอะไรละอุเฉททิฐิอันนี้ การรู้อัดถังขมะคือการแตกทําลายหรือเสื่อมสิ้นไปของปัจจัยเนี่ยนะอันนั้นละสัสตตทิฐิเนี่ยนะนีการรู้อ่ะนะการสำนวนว่าคูณพวกนี้โดยการสามได้คือในอดีตอายตนาก็เกิดจากสมุทยังค่าเหล่านี้ถ้าจะดับก็ด้วยดับสิ่งเหล่านี้นะอ น, นาคตต่อไปก็ลักษณะเดียวกันก็ละความสงสัยในการสามได้อันนั้นเป็น ละวิจิกิจฉาวันการรู้สมุทัยหรือรู้อาัสาธาะนี่แหละละวิจิกิจฉาได้สร็จแล้วก็เห็นโทษอาทินวะเนี่ยนะก็ยังละสะกายทิฐิอยู่ดีเพราะว่าไปสำคัญในอายตนะไม่ได้อยู่แล้วแต่แล้วแทงตลอดธรรมะที่มันพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ น, นี้เท่ากับเป็นอะไร สังคตะธรรมใช่ไหมก็ประมวลว่าสังคตะธรรมมันต้องแทงตลอดสิ่งที่ไม่ใช่สังคตะธรรมเรียกว่าอสังคตะธรรมอ่ะนะอสังคตะธรรมอันนี้แหละคือนิสรณะเดินะอนนสังคตะธรรมเป็นนิสรณะถ้าแทงตลอดอสังคตะธรรมเมื่อไหร่จึงจกละสิ่งเหล่านี้ได้โดยเด็ดขาดถ้าไม่แทงตลอดอสังคตะธรรมนะไม่เด็ดขาดนั่นก็ ที่รู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อาสาถ้าอาทีนว่าของอายตนะก็ยังไม่ได้ดับอายตนะอย่างแท้จริงทีนี้ถ้าอย่างมรักแรกเนี่ยนะที่มาเห็นอาสังคต ะ, ะอันเนี้ยที่มาแทงตลอดอสังคตะนี้เรียกว่าโสดาปฏิมรักเนี่ยนะก็ทำลายอะไรทาลายตาหูจมูกลิ้นกายใจในอบายสี่ก่อนอันเนี้ยชัดเลย กิจของมรคนี่นะทำลายตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะปรากฏไปโผล่ในอาบายเนี่ยนะเรียกว่าตัดประตูนรกปิดประตูปิดไม่ให้ไปมีตาในนรกตาเราะนะไม่ใช่ตาสัตว์นรกอื่นๆนะมันดับแทนกันไม่ได้อยู่แล้วนั้นก็ดับตาตัวเองที่จะไปเห็นนรกไปเห็นเปรตเห็นดเดรชานเป็นต้นเนี่ยที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นนั่นนะอันนี้เป็นงานของโสดาปฏิมร์แล้วถ้าเป็นมนุษย์ล่ะก็ไม่เกิน คือที่แปดเป็นต้นตายเนี่ยนะตัดออกไปอันนี้เป็นงานของโสดาปฏิมาศแล้วไอตัววิปลาสตัวทิฐิเหล่านี้ก็เป็นอันถอนออกไปเนี่ยนะหลังจากนั้นบุคคลนั้นก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะก็เป็นพระโสดาบันเพรา ะ, ะนั้นก็ถือว่าเห็นไทยของอาญตนะเนี่ยนะแต่ก็ยังมีบางครั้งที่ท่านยังวิปลาสอยู่ใช่ไหมยังสุขาวิปลาสอยเนี่ยนะยังสุภาพวิปลาสในเหล่านี้นะ พอสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปท่านก็ไม่สบายใจก็มีอยู่บ้างนั่นนะร้องให้คือถ้าถ้าใครรู้จักตาโดยที่ไม่รู้จักสีเนี่ยนะมันก็เกินยิ่งคนที่รู้จักสีเนี่ยอาจจะไม่รู้จักตากแต่แต่ถ้าคนรู้จักตาเนี่ยคนนั้นจะรู้จักสีจริงๆถ้าเราติดในตากับติดในสีเนี่ยติดในตามากกว่าเยอะเนี่ยนะ สีเหล่านั้นนนั้ไม่มีนะก็ไม่เป็นไรขอให้ยังมีตาอยู่เป็นใช้ได้ใช่ไหมภาพในหลายแห่งเราไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรนยขอให้เหลือตาเอาไว้นะก็เราติดในอายตนะภายในคือตัวทุกจริงๆนะว่าจริงๆอะทุกที่เรากลัวเนี่ยทุกเหล่านั้นเนี่ยมันปรากฏที่อายตนะไหนก็ อ, อายตนะภายในเนี่ยนะอายตนะภายในเนี่ยมันจึงเป็นรังแห่งแห่งทุกอย่างแท้จริงไม่ใช่อายตนะภายนอก เราะยตนาภายนอกนั้นมันมันยังไงเมื่อมีอยตนาภายในแล้วอ่ะจึงจึงได้เกี่ยวข้องกับยตนาภายนอกคือถ้าเพราะมีตาแล้วนะจึงมันได้เกี่ยวข้องกับสีมีหูแล้วจึงได้เกี่ยวข้องกับเสียงมีจมูกแล้วจึงได้เกี่ยวข้องกับกลิน่นมีลิ้นแล้วน ะ, วววภภะนจึงต้องการรสมีกายลวที่เรียกว่าโพธิภะเนี่ยจึงต้องการ เมื่อมีใจแล้วจึงต้องการเจตสิกทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นธรรมะนะเจตสิกก็นับว่าเป็นพวกภายนอกอยู่ดีเพราตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจึงเป็นกองทุกอย่างอย่างแท้จริงทีงนี้บริขารแห่งทุกเหล่านี้มันก็ไปเกี่ยวกับสีเนี่ยนะแล้วตากับสีมันก่อให้เกิดอะไรอีกก็ก็เป็นปัจจัยโดยลําดับการกล่าวปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยเพื่ออะไรการกล่าวสิ่งภายนอกทั้งหลายนะเช่น การกล่าวเมื่อมีตาแล้วนะที่มากล่าวสีเพื่อจะได้กล่าวเนี่ยภาษะเวทนาสัญญาเจตนาแล้วก็พูดถึงตันหาตันหาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อตายอีกนั่นแหละแต่ทีนี้บุคคลบางคนเนี่ยโดยอัทยาสาัยอาจจะไม่ค่อยเห็นภายของภายคืออาจจะไม่คล้องในภายในมากนะคล้องในภายนอกมาก พัน้าไปข้องภายนอกพิจารณาภายนอกภายในจะละไม่ยากนี่นะอันนี้สำหรับในรายบางคนนี่นะแต่ถ้าว่าโดยมากและจะติดภายในมากกว่าภายนอกันะ น, น, น, น, น, น, น, นะวิตกวิจารก็คือเช่นตาเห็นสีใช่ัหมก็วิตกก็คือคิดเรื่องสีบ่อยๆอยนะี้ ก็สํานวนว่าว่าเนยนก็เห็นสีสวยๆมันก็จ้องสีมันจะดูสีนั้นนานๆเนี่ยนะพวกนั้นอะเป็นวิตตกทางนั้นนคือคาว่าวิตกมันเป็นชาวนานั่นเองอ่าเจตสิกที่เกิดร่วมกับชาวนะที่มันไปคุ่นคิดสิ่งนั้นๆบ่อยๆเพราะคำว่าวิตกอันนี้เป็นทั้งกุศลและอกุศลเป็นอัญญาสมนาเจตสิกเนี่ยเนี่ย คือเรื่องอายตนะนี่นะครับมันเหมือนกับบริษัทนี่ยประชุมกันคณะกรรมการบริษัทนะประชุมกันเนรรี่ยเมื่อประชุมกันย่อมมีผลงานครับไอ้พวกนี้ที่ตามตามมาทั้งหลายนะพัสสาเวทนาสัญญาเจตนาตันหาวิตกวิจารณ์พวกนี้เนี่ยถ้าไม่จะเกิดจากการประชุมกันจริงเหล่านี้เกิดไม่ได้ครับไม่เกิดครับ<น>แล้วเมื่อจริงเรล่านี้เกิดแล้วย่อมนํามาซึ่งงานต่อไปครับนนัดประชะกรประชุมครั้งต่อไปครับ จะต้องไปเนี่ยม ป, เ, ปเรื่องของการนำไปปฏิบัติแล้ว ค, ครบวงประชุมแล้วแล้วก็เป็นผลงานนะและผลงานก็ต้องกลับมาประชุมกันอีกครั บ, ร บ, รบเพราะฉะนั้นนะไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ตามตามมาทั้งหลายเนี่ยคือคือผลิตผลนะเป็นเป็นโปรดักชั่นของโรงโรงงานไอโรงงานไออุบัติอันเนี้ยครับการวิจัก็คือเขาคืออารมณ์ไว้ของนะแกว่าตรงๆนะเช่นเนี่ย เขาบอกว่าแหมดูไม่กระพิบเลยอ่ะนะคือคำพูดลักษณะนั้นแนหะที่ประกาศถึงวิตตกวิจารเนะี่ยนะแหมแหมจ้องเป็นมันเลยอนะ่ะคําพูดลักษณะเนี่ยความนั่นแนหะเป็นวิตกวิจารณทั้งนั้นเลยดูไม่วางตาเลยนะแหเงี่ยหูฟังจังนะนะคืออันนั่นแหละเป็นเป็นลักษณะของวิตกวิจารณ์ที่ไปสิ่งนั้นอ่ะนะคือวิตกวิจารณ์เนี่ย เ, เป็นไปกับกูส้นก็ได้อากูศลก็ได้แต่ถ้ากล่าวในชุดเนี่ย เป็นกลางๆเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แต่ถ้ากล่าวอีกชุดหนึ่งคือกล่าวเรื่องฌานเมื่อไหร่วิโตวิจาร์นั้นต้องเป็นกุศลอย่างเดียวนะแต่ถ้ากล่าวชุดปิยรูปสารรูปนี้เป็นไปกับกุศลก็ได้ออกุศลก็ได้ไดนะเพราะวิโตวิจารณนั้นเกิดร่วมกับโทสะก็ได้ใช่ไหมดูสิเขาจะว่าเรานินทาว่าเราว่าไงเงี้ยตั้งใจฟังเ้าหน่อยเขาจะานินทาเราว่ า, ายังไงบ้างเขาอะไรนะใส่ใจหน้าดูเลยนะสังเกตการหน้าดู่พวกเนี้เป็นงานวิตกวิจารณทั้งนั้นแหลนะ สำคัญในการรู้อายตนะนะก็ที่กล่าวเนะี่ยรู้เหตุเกิดของอายตนะนะมันทบทวนบ่อยนะว่าเอ๊ะเนี่ยตาเนี่ยที่มีตามาเห็นเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเกิดเนี่ยนะตอนตอน้นหลัก็ตาที่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนในชะ่เกิดจากปัจจัยอะไรสมูทัยของตาเหล่านี้เป็นยังไงมันเจริญเติบโตมาโดยลาดับยังไงอ่ะนะก็มันทบทวนของ ชีวิตของตาที่สืบเนื่องกันมาเรื่อยๆอยู่นะอันนี้เรียกว่ารู้สมุทยังคะของตาแล้วก็รู้ว่าถ้าสิ้นปัจจัยตาเหล่านี้เป็นต้นก็จากสิ้นไปและในขณะเดียวกันเนี่ยนะตาเหล่านี้ก็จะเสื่อมไปโดยธรรมชาตินะโดยวัยเสื่อมตาก็เสื่อมเป็นต้นเนี่ยนะก็อาหารเป็นต้นเสียหายตาเหล่านี้ก็แตกทำลายแต่ปูบุตุชนทั่วๆไปทิ้งตาอันนี้ก็ เอาตาอันใหม่นะจะดูที่ว่าถ้าใครเหลใครไว้เยอะๆนะก็เตรียมเอาตาเขไว้เถอะนะนะพอน่อย่าไปจ้องใครด้วยโทรศัท์เขาละนะนะเดี๋ยวตาเขตาเอียงชาบหน้าลำบากสารเล็กกรรมแพทย์เด็กนั่นนะมันก็ดูคนอื่นไว้ด้วยเมตตาเข้าไว้น่นะแล้วก็อันนั้นคือเหตุเกิดของตาไหยเหตุความดับแต่ทีนี้ตามันก็มันก็มีอาสาท่ามากอ่ะนะก็ลองให้เราปิดตาดูวันหนึ่งดูดิ ก็กหมอสั่งเลยนะสมมุตินะคุณต้องปิดตาวันหนึ่งนะแล้วก็คุณต้องผ่านงานด้วยนะแต่ยิ่งอ่ะนะยิ่งไปกันใหญ่นะถ้าปิดตาอยู่บ้านก็ยังชั่วนเนี่ยนะเขาไปเที่ยวกันเนี่ยนะสมมติเขาแหมติดใจจะไปดูสถานที่แห่งหนึ่งอ่ะนะเสร็จแล้วไปเขาให้ปิดตาในช่วงที่กําลังอยากจะไปดูในสิ่งนั้นแหมมันอะไรจะทุรนทุรายมากเลยนะเข้าโรงหนังแต่เขาให้ปิดตาเนี่ยนะ อันนี้ก็เดือดร้อนนะเพราะตามันมีอาสาธะานะเพราะว่ามันเป็นเหตุแห่งสุขและโสมานัดจริงๆเนี่ยนะนะแต่ก็มีโทษใช่ไหมตัวตายก็มีโทษตัวตาจริงๆก็มีโทษแล้วก็เป็นปัจจัยแห่งโทษอย่างอื่นด้วยนะเพราะบางเรื่องถ้าไม่เห็นก็ไม่ได้ทําบาปอันนั้นหรอกถ้าไม่เห็นก็ไม่โกรธใช่ไหมถ้าไม่เห็นก็ไม่ไม่โลภนะถ้าไม่เห็นก็ไม่งมงายในสิ่งนั้นนั้นตายนะตา น, นี่ก็มีโทษอนะเนี คืออันนี้พูดถึงปีรูปสาตรูปแต่ทั่วๆไปแล้วท่านจะยกห้าอย่างนะภาษาปัญจกา น, นะภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตนห้าอย่างภาษาคือตัวที่สังขตะคือโดยทั่วไปนะสังขารก็จะยกให้ภาษาเวสัญญาเจตนาจริงๆแล้วอ่ะอื่นๆก็มีแต่ตามสมควรแก่จิตคือจิตเราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าภาษะ สัญญาเจตนาเนี่ยนะพวกนี้มันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงก็เลยยกเอาไอ้ตัวที่พื้นพื้นเอาไว้ก่อนไอ้ตัวที่เพิ่มไอ้ตัวที่เพิ่มเพิ่มมันก็ไม่แน่ใช่ไหมเพราะบางคนเนี่ยพอดูแล้วอกุศลเจตสิกเกิดกับอีกคนหนึ่งดูแล้วกุศลเจตสิกเกิดนั้นไอ้สังกัตธรรมที่เป็นกุศลอกุศลก็ค่อยว่าเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องประเด็นประเด็นนั้นๆไปก็เอาแต่พื้นพื้นไว้ก่อนใช่ ก็คือพูดอะไรที่มันกว้างๆเอาไว้ก่อนนะตัวกลาง ๆ, ๆเอาไว้ก่อนคือทั้งคนดีทั้งคนชั่วเป็นอย่างงี้หมดเนี่ยนะนะอท่านก็บอกกันนะอย่างทั่วๆไปเช่นสังขารขันเนี่ยทำไมจึงในพุทธพจนิยมยกแต่ผัสสะเจตนาเนี่ยนะนะยกผัสสะเจตนาขึ้นมาก็บอกว่าเพราะเจตสิกเหล่านี้มันเกิดใน จ, จิตทุกดวง เส่วนเจตสิกอื่นๆก็มีแต่ว่าไม่ไมทุกดวงเนะช่นอากุศลเจตสิกก็ต้องเกิดร่วมกับอากุศลจิตเท่านั้นก็เป็นสัง ข, งขารธรรมกุศลเจตสิกก็เกิดร่วมกับโสพณสาธารณะนะก็เกิดร่วมกับกุศลจิตหรือกิริยาจิตวิบากจิตบ า, บางกลุ่มเท่านั้นทีนี้มันไม่ได้สาธาณะทั่วๆไปเพราะฉะนั้นก็จะเอาตัวที่มันกว้างๆทั่วๆไปม า, มาแสดงก่อน แต่ว่าในส่วนของปีรูปสารูปนั้นจะจะเรียนละเอียดอีกครั้งคือในอริยสัจบัพะเนี่ยจะจะพูดถึงเนี่ยภาษาเวทนาสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารณ์อย่างละเอียดก็จะได้ไปกล่าวที่นั้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในสัจจะบพะเนี่ยนะกล่าวถึงสมุทยัยสัจที่ว่าตัณหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนที่ใดหรือสภาวะใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตัณหาเมื่อเกิดก็เกิดที่นั่นแหละอะไรละ่ะก็คือเนี่ย อายตนาภายใน6อายตนาภายนอกหกภาษาเวทนาสัญญาเจตนาตันหาวิโตวิจารณ์อย่างละ6เหล่านี้แหละเป็นที่ตันหาชอบนักแหลหมั่นกันเถอะตันหาจะเกิดก็เกิดแถวนี้แหละเอาถ้าจะละละ่ละก็สิ่งอันอะไรเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกถ้าจะละตันหาก็ละที่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาตาหูเอาา่อตาอายตนาภายในัยอายตนาภายนอกภาษาเวทนาสัญญาเจตนาตันหาวิตกวิจาร์เหล่านี้มาทำ ปหาณาปริญญาเจอนะต้องมาทําปหานะปริญญาเหล่านี้นะเพื่อที่จะได้ตัดตัญหาในวัตถุเหล่านั้นนะนะตาละวัตถุกตาทําให้มันตาลยอดด้วนน่ยนะให้มันด้วนหมดนะตาก็ด้วนแล้วปัญหาก็งอกไม่ได้อาศัยสีก็ไม่มีสีไหนที่ตัญหามันจะงอกได้ก็ทําให้มันตาละวัตถุกตาให้หมดเลยนะก็พระอรหันต์ท่านเป็นแบบนั้นของเราก็ อย่างที่กล่าวไปนะว่าให้ฟังให้รู้แนวทางไปก่อนส่วนทำไม่ได้หรือได้ก็อยู่ที่ปัจจัยอื่นๆดูในเทรคาถาชอบอยู่บทหนึ่งท่านบอกว่าบางคนฟังแล้วก็มีศรัทธาเห็นด้วยอะไรหมดแต่ว่าปฏิบัติแล้วไม่บรรลุเพราะว่ากิเลสมีกำลังเกินเกินไปที่จะมาละในสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นขณะที่เขาฟังแล้วเห็นด้วยเข้าใจเป็นต้นอันนั้นเป็นอุปนิสัยที่จะให้ตรัสรู้ใน ภาคหน้าต่อไปเนี่ยนะของเราก็ฟังก็อย่างน้อยก็ได้บุญในขณะที่ฟังเราก็ถือว่าสะสมอุปนิสัยนั่นก็บอกว่าขอให้เห็นด้วยที่จะว่าธรรมะเหล่านั้นดีจริงทําให้พ้นทุกจริงอนะแค่นั้นก็ได้เป็นปัจจัยให้บรรลุแล้วแต่ว่าจะเร็วจะช้าอีกเกียร์สงไัยอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าได้อุปนิสัยเพื่อจะตรัสรู้แล้วนะนะนะแต่ถ้าหวังชาบนี้เลยก็อันนะ คือหมายความว่าสมควรแก่เหตุว่างั้นเถิดวิปลาสในวัตถุใดอ่ะนะสามารถจะละวิปลาสในสิ่งเหล่านั้นได้ไหมเนี่ยนะตั้งอัธยาศัยไหมที่จะละวิปลาสในสิ่งนั้นนะท่านถ้าผู้ที่ปรารถนามรรทในในชาตินี้เลยนะวันนี้ดูในเรื่องกุลบุตรเจดท่านขึ้นเขาขัดก็บอกว่าของพวเราเนี่ยตอนนี้าศาสนานี่ยย่ำแย่ทุกทีแล้วนะเนี่ยทุกวันว่างั้นในาศาสนาพุทธเจ้าองค์กร น, นะ บอกว่ช่วงนี้าศาสนาก็ไม่ไว้แล้วนะอรัชีมีกําลังเหลือเกินวั ง, งั้นเราขึ้นเขาขาดกันเถอะนี่นะก็ไปไหว้พระเจดีกันเสร็จแล้วก็ขึ้นเขาขาดขึ้นเขา ข, ขาดก็ตั้งคุยกันบอกอก่อนจะขึ้นก็บอกว่าใครยังเสียดายชีวิตลงไปนี่นะก็ไม่มีใครลงก็ผลักบันไดเนี่ยนะพ่อองค์ที่ผูกขึ้นตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเราตั้งกับวันนี้ไปไม่ต้องคุยกันแล้วก็แยกกันอยู่มหาเทระเนี่ยบันแรกบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะเป็นพระอรหันต์นั่งก็ไปบินทบาทเอามาเลี้ยงพวก คือเป็นท่าฐานแบบเหาะได้นะไม่มีใครฉันเลยอ่ะแล้วก็พระองค์อื่นๆนะก็บอกว่าท่านยามาเลยเพราะการคุยกับท่านเป็นความเนิ่นช้า <c oughs> คือถ้าคุยกับท่านเนี่ยเนิ่นช้าเสียเวลาปฏิบัติมากเพราะฉะนั้น <c oughs> ท่านท่า น, ท, า น, นาท่านก็ไปเสวยสุขขวิหารธรรมของท่านไปเถอะเนี่ยนะนะคือทุกคนเรียนมาเหมือนกันหมดมันมีข้อมูลเดียกันอ่ะนะคือเขาไม่ได้สงสัยในข้อปฏิบัติวิธีปฏิบัติไม่สงสัยสักอย่างเลยนะ แต่ว่าที่เหลือเพียงแต่เขาพ่อพูนให้มากขึ้นเท่านั้นนะ่ะนะก็เลยบอกว่าแหมคุยกับผ้าอาหารเนี่ยเสียเวลามากมันนี่หมุนท่านไปเข้าสุ ข, ขาวิหารธรรมของท่านเถอะนะอาหารก็ไม่ต้องเอามาให้ผมเหมือนกันเถอะถ้าผมบรรลุแล้วมันค่อยฉันถ้าไม่บรรลุก็อย่าไปฉันมันเลยนี่ตายไปอย่นะก็ตายสมปรารถนาห้ารูปอนะัไม่เกินเจ็ดวันก็ตายอยู่แล้วพอน้ําก็ไม่ฉันอะไรก็ไม่ฉันเลยเนี่เจ็ดวันตา ย, ยนะ แต่พระทหารหท่านก็อยู่จนนานแล้วก็ปรินิพานรูปที่สองเป็นพระนาคามีรูปที่สามอา่ารูอีกห้ารูปที่เหลือก็คือเนี่ยพระพาหยะเนี่ยเนี่ยขึ้นเขาขาดมาแล้วพระพาหยะเนี่ยนะก็พัสพิยะยังไงนะพระกุมารกัสปะองค์ที่เด่นเด่นมือชื่อเสียงที่ก็บอกบรรลุเร็วๆสมัยพุทธกาลนี่แหละคือบรรลุช้าที่สุดสมัยนั้นนะ่ะนะก็ว่ารุ่นโลโสมัยโน้นน่ะแล้วมาบรรลุเร็วที่สุดสมัยนี่นะ ของเราถ้าได้เรียนสาชั้นเอะจะเก่งกว่ารุ่นหน้านะสมมตินะแต่เรียนสติปัฏฐานอีกรอบหนึ่งนะรุ่นที่มาเนี่ยจะฉลาดกว่ารุ่นมาใหม่หมดนะไหนคอยนั่งซึมๆ ม, มั่งคอยมาทุกวันเอะจะรู้กับเพื่อนนะ่ะรุ่นมาใหม่นันนะดีไม่ดีเป็นนั่งเป็นอัตถกถาอยู่หลังห้องนะอาจารย์นั่นมาอย่างนี้อย่างนั้น